วันนี้ก็ตั้งใจกันหน่อยนะตั้งใจฝึกจิตแล้วก็ไอ้ทิ้งปริยัติทิ้งความรู้ที่ทําให้ตัวเองเกิดอัตตาอวดรู้อวดเก่งอ่ะทิ้งไปด้วยให้มันเหลือแต่ที่ตัวที่ตั้งอยู่นี่นี่ที่กําลังจะตายกําลังจะตายไหมกําลังจะตายยังใกล้แล้วเออ <laughs> ให้มันเหลือแต่ตัวที่กำลังจะแตกจะตายอยู่เนี่ยไอ้ความรู้ที่จํามาเยอะๆไอ้ทิ้งๆไปใชมั้งให้มันเหลือแต่อารมณ์ของสติมันจะได้ไม่ยากไม่ต้องไ่เที่ยวนั่งแก้นอนแก้นี่แก้นั่นอยู่อีกโอ้มันตรงก็ไปเลยเรียกว่าลัดสั้นตรงเลย <c oughs> อ้าวนั่งตัวตรง วางขาวางมือให้มันอยู่ในท่าที่ที่เราไม่ต้องไปเป็นภาระมันมากจะตั้งายให้ตรง ความรู้สึกเหมือนกับเราตัวคนเดียวแล้วก็ถูกเอามาทิ้งไม่มีอะไรในชีวิตตัดทุกอย่างออกหมดเลยเส้นเยื่อใหญ่แห่งการยึดทั้งหลายที่มันดึงระหว่างตัวเรากับของเราทั้งหลายตัดออกหมดโดยนึกภาพวงกลมวงล้อมชีวิตตัวเองไว้ในรัศมีประมาณเท่าที่ตัวเองนั่ง ว่าเราก็มีอยู่เท่านี้เอาความรู้สึกนี้ขึ้นมาก่อนเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ตัวถอยหลังก็ไม่ไปไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ขึ้นบนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ ปรับความรู้สึกทั้งหมดของตนเองให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วบอกกับตนเองให้เลยจะปวดจะเมื่อยจะเจ็บตรงไหนก็ช่างจะไม่ไปขยับมันโดยไม่จำเป็น มัตยุราชมีเสนามากมายเงือดาบที่จะบันคอเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไปอาลัยอะไรกับความเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆมันจะปวดนิดปวดหน่อยก็ยมันปวดไป มตั้งกายตรงแล้วให้ทำความเข้าใจว่าจากนี้ไปเราจะเอาความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจของเราโดยตรวจสอบลมหายใจของตนเองให้ทำความรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออก ทำความรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าทำความรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกทำความรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีปริมเทอดใดๆมีแค่ตัวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ตัวเราเราก็จะไม่ไปที่อื่น เราจะน้อมความรู้สึกทั้งหมดของเราที่มีอยู่สู่ลมหายใจของเราลมหายใจของเราไหลออกอย่างไรเราจะรู้ให้ชัดตามที่มันไหลออกมาอย่างนั้นลมหายใจเราเข้าอย่างไรเราก็รู้ให้ชัดตามที่มันเข้าไปอย่างนั้นทันเมื่อพร้อมแล้วยกจิตมาเฉพาะหน้าคว้ารู้สึกลมหายใจอยู่ที่ช่องจมูก ไม่ต้องวิ่งเคลื่อนตามลมหายใจเข้าไปก็เริ่มด้วยการเอาลมหายใจให้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ให้อยู่หมัดเหมือนลูกฟุตบอลติกลิ่งคลุกคลีอยู่ที่ใกล้กับเท้าของนักเตะที่เขียไปเขียมาเขี่ยไปเขียมาเนี่ยลมหายใจก็เหมือนกัน จิตรู้ความรู้สึกของเรา ก, ก็คลอเคลียอยู่กับลมหายใจอย่างนั้นคว้ารู้ดูอยู่อย่างนั้นเมื่อจับความรู้สึกนี้ได้แล้วทําความรู้สึกอย่างนี้ได้แล้ว เ, เราก็เริ่มหายใจเข้าให้สุดแล้วก็หยุดลมหายใจไว้ แล้วก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกชา้ชาๆทำอย่างนี้ห้าครั้งของการหายใจออกนะหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้และตั้งใจเลยว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาชา้ชาๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นในขณะที่ลมเคลื่อนมีความรู้สึ ก, กว่าลมมันเคลื่อนออก ทำห้าครั้งหายใจเข้าอีกหายใจเข้าใหายสุดหยุดการหายใจไว้แล้วรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกเวลาปล่อยลมหายใจไหลออกปล่อยเบาเบปล่อยยาวๆวให้มันฉุดลมและลมหายใจเข้ามันจะดิ่งเข้าไปเองหายใจเข้าสุดหยุดไว้แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจ จากนั้นก็หายใจเข้าแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกจิตรู้เราไม่ไปไหนมันจะโฟ <c oughs> มันจะมุ่งแน่วแน่กับลมหายใจแล้วตอนนี้ดูลมหายใจออกตั้งแต่ลมหายใจไหลออกเริ่มเคลื่อนรู้ เอาลมหายใจปกติตามถนัดของเราก่อนเราหายใจอย่างไรแล้วเรารู้สึกว่าเราถนัดเราเอาอย่างนั้นเราหายใจอย่างไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายเราก็หายใจอย่างนั้นทั้งหายใจออกและหายใจเข้า <mem Jar aids> เพียงแต่ว่าทุกขณะที่ลมมันเคลื่อนเราจะต้องรู้สึกกับลมนั้นทั้งทั้งออกทั้งเข้าหายใจออกรู้ ห้ยใจเข้ารู้เีย ในระหว่างนี้ให้จิตรู้เกาะลมไปเรื่อยถ้ามันหลุดออกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามเราก็ไม่ใส่ใจเรื่องที่เขาคิดแค่รู้ว่ามันหลุดออกไปคิดก็เอากลับมาที่ลมหายใจซะต้องกล้าพอต้องเข้มแข็งพอและต้องจริงจังและก็จริงใจพอมีสัจจะพอ เราจะให้ใจให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจไหลออกรู้ไหลเข้ารู้ถ้ามันหลุดออกไปคิดเรื่องอื่นมันมีแหละมันต้องคิดหละเพียงแต่ว่าเราไม่ไปคิดต่อเราไม่ไปปรุงต่อในเรื่องที่คิดพอมันจิตออกหลุดออกมาคิดก็รู้ว่ามันหลุดออกมาคิดแล้วก็กลับไปรู้ลมหายใจซะ ต่อไปนี้ให้ประคองลมหายใจกลางๆด้วยวิธีการหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วประคองลมหายใจนะทำลมหายใจกลางๆและปล่อยลมหายใจออกจิตดูลมหายใจออกลมหายใจที่ไหลออกนั้นเป็นลมกลางๆเบาๆยา ว, ยาว จนสุดลมหายใจแล้วเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าก็เหมือนกันค่อยคอยไหลลมเข้าก็ค่อยค่ยไหลกลางกลางยาวยาวจนสุดลมแล้วเว้นระยะหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกเรา ทำลมหายใจก ล, งกลงางๆเบาๆเล้วให้จิตรู้ประคองลมหายใจพอลมหายใจออกเคลื่อนสุดเราก็หยุดไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าลมหายใจของเราจะไม่แลบออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยทุกการเคลื่อนไหวของลมเราจะรู้สึกตามหมด ลมจะไม่ไหลเคลื่อนออกไปโดยที่เราไม่รู้ปรับลมหายใจกลางๆเบาๆ เ, เอาเป็นที่สบายแก่ใจไม่อึดอัดถ้ามันรู้สึกว่าอึดอัดเราก็ปรับลมดีๆ ความยาวความท่านของลม ทำหกลมหายใจยาวนี่สักระยะหนึ่ง แต่ตัวมันแกว่งให้ยืดยืดตัวโดยการยกลําตัวขึ้นให้กระดูกมันตั้งจากกับพื้นให้มันมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแรงๆแล้วเราเข้าไปรู้ลมหายใจใหม่นในไอทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะจิตมันจะซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็เข้าใจว่าไอ้จิตซึมของเราที่มันตั้งอยู่นั้นเป็นสมาธิ ไม่จิตมันไม่ตื่นประคองลมหายใจยาวๆแต่ว่าไม่ถึงกับอึดอัดนะ พอมันกล้จะถึงความอึดหนัดอ่ะเราก็อเอาแค่นั้น จะปรับลมหายใจมาเป็นลมปกติแตจิตยังรู้เหมือนเดิมเพียงแค่ปรับลมค่อยๆปรับลมให้มาสู่ปกติเป็นลมที่เราไม่ได้ตั้งใจให้ยาวเป็นลมที่เราไม่ได้ตั้งใจให้สั้นเพียงแค่เราเฝ้ารู้ลมแล้วก็เป็นลมหายใจที่มันปกติสบายๆ ่ะไปก็ทำลมหายใจกลางๆอีกครั้งหนึ่งทำลมหายใจที่ไหลออกกลางๆเบาๆยาวๆค่อยๆพอลมหายใจออกสุดให้จิตรู้สึกต่อความหยุดของลมหายใจจิตรู้สึกได้กับการที่ไม่มีลมเคลื่อนไหวเลยจิตรู้สึกได้กับความที่หยุดลมหายใจ จิตรู้สึกได้กับความที่ลมหายใจมันหยุดทำลมหายใจไหลออกเบาๆกลางๆค่อยๆแล้วก็ยาวๆเรียบๆพอลมหายใจสุดจิตรู้สึกกับลมหายใจที่หยุดอยู่แค่จิตรู้สึกได้ว่าลมหายใจหยุดแล้วเราก็หายใจเข้าพอหายใจเข้าสุด จิตรู้สึกได้กับลมหายใจที่หยุดแล้วก็หายใจออกหายใจออกสุดจิตรู้สึกได้กับลมที่หยุดแล้วเราก็หายใจเข้าโดยทำลมหายใจกลางๆเบาๆยาว ตามความรู้สึกกับลมที่หยุดต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ความรู้สึกแรงๆนะแค่ความรู้สึกลมที่หยุดจิตก็แค่เข้าไปรู้ว่าลมหายใจมันหยุดเฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่าลมหยุดเฉยๆรู้ว่าลมไหลออกเฉยๆรู้ว่าลมเข้าเฉยๆรู้ว่าลมหยุดเฉยๆ จิตที่จ้องยูขณะที่ลมหยุดจะไม่หลุดออกไปคิดอะไรเลยไม่หลุดออกไปบ้างก็น้อมกลับมา รู้ลมหยุดเฉยๆในขณะที่เรารู้ลมหยุดอยู่เราสังเกตได้ว่าขณะที่ลมไม่ได้เคลื่อนไหวให้จิตรู้ลลมหยุดมันจะเป็นความสงบจิตมันจะสงบตั้งพอรู้ลมหยุดปับ๊บจิตมันจะตั้งสงบ เราก็แค่รู้แค่รู้ทีสภาพที่มันสงบเกิดขึ้นให้มันทรงตัวอยู่แล้วเราก็หายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ลมหายใจหยุดพอเราหายใจหยุดจิตเหมือนกับเตรียมเข้าไปรวมตัวเพื่อสู่ความนิ่งเราก็รู้รู้ความหยุดของลมแล้วก็หายใจออก หายใจออกก็ลมหายใจออกสุดเราก็รู้ลมหายใจหยุดในขณะที่เรารู้ลมหายใจหยุดจิตก็จะรวมเข้าไปสู่ความนิ่งตอนที่ลมหายใจหยุดเราแค่รู้ความเป็นอย่างนั้นเฉยๆแล้วก็หายใจเข้า รู้ลมหายใจไลลออกรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจเข้าทำไปอย่างนี้ พอจิตเริ่มสงบกับลมหายใจเวทนาทั้งหลายความเหน็บความปวดความเบาความคันความชาตามส่วนต่างๆแม่มีอยู่จิตก็แค่รู้เฉยๆจิตไม่ให้ความสำคัญมากรู้ลมหายใจหยุดรวมลงไปเรื่อยๆ ได้ยินเสียงก็รู้เฉยเฉยอย่าให้เสียงใดเข้ามาทำลายจิตนาของเราได้ยาให้เสียงใดเข้ามาทำลายเครู้เฉยเฉยได้ยินเสียงก็รู้เฉยเฉยจิตคิดก็รู้เฉยเฉยแล้วก็กลับไปรู้ลมหายใจไหลออกกไปรู้ลมหายใจไหลเข้า รู้ลมหายใจหยุด ถ้าลมหายใจหยุดนิ่งมันเกิดความระหับลมหายใจไหลออกก็ดีลมหายใจไหลเข้าก็ดีหรือลมหายใจที่หยุด ที่จิตเข้าไปรู้ในสภาวะที่ทรงตัวอยู่นั้นมันเป็นวิตกจิตที่เข้าไปรู้ในความเป็นอย่างนั้นนะเป็นวิจาร์ในขณะนี้นอกจากลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งถูกรู้จิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจมันมีวิตกวิจาร์ที่เกิดขึ้น ที่สรงตัวอยู่จะมีความปรามโมทในความสงบในขณะที่ลมหายใจหยุดจิตจะมีความปรามโมทมีความร่าเริงน้อยเย็ยนเยน็ยนอยู่ในนั้นและความปรามโมทความเย็นของจิตที่เกิดขึ้นในขณะลงรู้ลมหายใจหยุด มันก็รู้มาในส่วนลมหายใจเข้าด้วยรู้ในลมหายใจที่ไหลออกด้วยเราก็แค่รู้ในความเป็นอย่างนั้นรู้เฉ ย, เฉย จิตจะบีบตัวเองขึ้นมาคลายเวทนาทั้งหมดคลายกายทั้งหมดจะเหลือช่วงเฉพาะที่มันสัญจรเข้าไปสู่ลมหายใจไม่มีแรงกระเพื่อมของความคิดแม้มีความคิดแต่มันไม่กระเพื่อมไปไหนได้เพราะว่าจิตไม่ไหลไปด้วย ความคิดปรกเกิดขึ้นปั๊บจิตไม่ไปสู่เรื่องที่คิดจิตแค่รู้เรื่องของการคิดอย่างอัตโนมัติความคิดก็จะหายไปจิตก็กลับไปสู่ลมหายใจง่ายๆ จิตค่อยๆคลายค่อยถอยตัวรู้มาสู่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปวางไว้ที่ข้อข้างขวายกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆยกมือข้างซ้ายขึ้น ลือนมือท้ายวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายแล้วยกจิตกลับมาสู่ใบหน้าผ้าหูหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ดึงตาออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิเราจะเห็นพลังของอุเบกขาอุเบกขาคืออาการที่จิตเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์เดียวต่อเนื่องมาทรงตัวเป็นสมาธิ ก็จะมีความนิ่งอยู่ที่จิตความนิ่งอยู่ที่กายทั้งกายและจิตมีความนิ่งอยู่ตามกำลังของอุเบกขาที่ตกผลึกมาจากการสมาธิเราก็ดูแลเราก็ใช้อุเบกขาตัวนี้แหละไปกับกิริยาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาหนึ่งวันหรือว่าเราจะกินเนี่ยจับกินอย่างนี้เราจะดื่มอย่างนี้ก็ดื่มด้วยอุเบกขานั้น ยกว่ามีสติในการดื่มการจับการจิบ